เวไนนี้มีเรื่องราวสับสนโลภรักหลงดังมารพจนทุกคลหวัวเมาเศร้าโศงดวงใจอาจินสองมือบินรนสราเกียรติเสียงเติม ใเลยใจไหม่ควยค้ากลัวสิ่งได้ได้เปลี่ยนพันย่ามองตรองให้เข้าใจก้าวมาบำเพ็นเห็นถึงหนทางสดใสคุณไนไอรักคำช่วยหวังสิทธิ์ไม่ก้าวงน้นี้อ่านเดือนปีสามกีมุ่งมัน พร้อมดองต่อขันไม่หันร้างแม่ไปท่านรอเราเกนเพื่อมาเห็นดอกขอบานผู้เสียนฟ้านิพานแรมนานถึงขานหววเยาวบำเพ็ญจริงแสงยานเรื่องร้องสุขใสมาผลบุญเราสร้างไวเจ้าคอยรดน้ำแห่งทาง ขาบนโลกีเหมือนเตือนให้ใจสิทธิ์เช่นเรื่องราวของคนเช่นนิทานหักสัจธถาม สามคีมุ่งมันลองดองต่อคันไม่หันร้างแม่ไปท่านรอเรากินเพื่อมาเห็นดอกกอบานเสียนฟ้านิพานแต็มนานถึงท่าหนห่วงยาวบำเพ็ญ แสงยานเรื่องร้องสุขใสมักผนบุญเราสร้างไว้เจ้าพอยรถนางแห่งธรรมถ้าคุนโลกีเหมือนเตือนให้ใจสิทธิเห็นเรื่องราวของคนเช่นนิทานหลับสัจธรรม